สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะเขาก็อัดเทปอัดวีดีโอไว้ไปฟังมาภาวนากันเมื่อวานก็เจอหลายคนไม่เคยมาวัดไม่เคยเจอหลวงพ่อฟังซีดียวดูยู u ูบเอามาภาวนากันเก่งๆก็เยอะเลยแต่บางคนก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้อันนั้นเป็นพื้นเดิมของเขาเมื่อาวานไปเทศมีส่งกันบ้าน บางคนหลวงพ่อ ก, ก็ปล่อยแล้วเดียเ๋ยวนี้ถ้ามาื่ก่อนจะพยายามสู้นะแก้ใ <c oughs> ห้เนี่ยนิยอมแพ้บางคนมันสอดย่างจริงถ้าสอนเธอคนหนึ่งนะกินเวลาสอนคนอื่นตัน้งยี่สิบสาสิบคนยังไม่ใช้เวลาไม่ใช้แรงเท่าเลยนึกดูพูุ้ทธเจ้าท่านยังเก็บไปได้ไม่หมดเลยเรายังมีปัญญาอะไรทักหนาปล่อยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลย หลวงพ่ อ, อยอมแพ้เลยเรื่องสมาธินะนยังพอช่วยบ้างแต่ถ้ายึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงคนระูบาอาจารย์หนีทุง่งไม่เอาหรอกบางทีระดับหลวงปู่ข่าวนะก็ยังเคยหนีเลยอยู่ที่ทำกรงเพลนอ่านประวัติท่านหลวงพ่อไม่เคยเจอท่านช่วงที่เข้าวัดนะ่ทันท่านนะแต่ท่านนอนแล้วท่านนอนแล้วตอนนั้นหลวงพ่อเป็นข้าราชการนะ ไปหาครูบาอจารย์ต้องเลือกเอาองค์ที่พูดได้ที่สอนได้องค์ที่ไปกราบแล้วชื่นชื่นใจอะไรนี่มีอยู่หลายองค์อยู่แต่ว่าจะไม่ได้เข้าไปหาต้องเลือกเอาที่สอนเราได้จริงจริงอานประวัติของภู่เขาวนะ้ามีท่นอยู่ที่วัดอยู่ดีๆนะก็ลุกขึ้นคล่องจีวรว่าปลดกว่ายา่ำจะไปลนะพระถามจะไปไหนบอกเราอยู่ไม่ได้แล้วเราสู้เขาไม่ได้ ธรรมะเราสู้เขาไม่ได้ออกจากวัดไปนะขึ้นเขาไปสักพักเดียวรถทัวร์มาอ๋อท่านหนีคณะรถทัวรบาาบนะ์บางทัวร์ครูบาอาจารย์ก็รับนะบางทัวร์ท่านก็ถอยเหมือนกันยางหลวงปูเทศท่านก็ใจดีมีวันหนึ่งท่านสั่งแม่ครัวตอนเย็นน่ะหุงข้าวไว้เท่านี้จำนวนคนเท่านี้นะเป็นร้อยๆเลย แม่ครัวเ็บอกว่าวันนี้ไม่มีรายการที่ทัวจะลงนะเอาหน้าหุงไว้เผื่อใครเขาหลงทางมาเขาลำบากเขาจะได้มีกินแม่บูก็จำใจทำชื่อแม่บูหุงข้าวไว้พอตกเย็นๆนะฝนก็มาใหญ่พายุ ม, มาแม่บูหลวงปู่ผิดแล้วละฝนอย่างนี้ใครจะเดินทางปรากฏว่าพวกที่ไปเมืองเลยมันไปไม่ไหว <c oughs> ขึ้นเขาไม่ไหวสมสารเขามามีข้าวให้กิน เมตตาสูงแต่ท่านก็ไม่มานั่งคุยด้วยยันถ้าดื้อนักนะครูบาอาจารย์ก็ปล่เหมือนกันแหละสู้ไม่ไหวยันเรียนอย่าดื้อมากพวกดื้อๆไปหาครูบาอาจารย์ก็มีมาทุกรุ่นน่หลวงปู่มั่นท่านเจอพวกดื้อ น, นะท่านก็บอกว่าพวกอดเขี่ยวเหมือนหมาอดงาเหมือนช้างอดเขี่ยวคือหมาอดงาคือช้าง นั่นก็ยอมแพ้เหมือนกันเงินพวกดื้อเนี่ยไม่มีใครเขาสอนหรอกฟังธรรมะก็ฟังด้วยใจอ่อนโยนหน่อยตั้งใจฟังนะครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานให้วิธีฟังทำกรรมฐานนคือฟังไปปฏิบัติไปเวลาที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเราก็พานาของเรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวดูกายดูใจไปแล้วเวลาธรรมะ ที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้เนะี่ยมันพอดีกับใจเราเจริญจะตื่นตัวขึ้นมาเข้าใจเอามันเป็นช่วงๆนะไม่มาเข้าใจทุกคําพูดหรอกบางคําพูดก็ได้ยินทุกวันเลยแต่มันไม่เข้าใจมันเข้าแต่หูผ่านไปพอนาไปหลายๆปีมันเข้าใจาาาาเขี่หัวตัวเองเลยว่าโอยโง่หลายไว้ของได้ยินทุกวันทุกวันนะึกว่ารู้เรื่องแท้ๆไม่รู้เรื่องหรอก งั้เรียนภาคปฏิบัติไม่เหมือนเรียนภาคปริยัติปริยัติเราฟังให้ได้ให้หมดนะจดมาให้ได้เยอะๆท่องมาให้มากๆเรสอบได้ใไ่ปฏิบัติเนี่ยเราดูสภาวะของรูปของนามให้เห็นจริงๆคิดเอาไม่ได้ต้องดูให้เห็นพอเห็นความจริงของรูปนามได้แล้วก็รูปนามนั่นแหละจะสอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่าสังการทั้งหลาย ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นผู้สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วสภาวะธรรมที่ไม่ใช่สังขารนะก็เป็นอนัตตาด้วยแต่ตรงนี้เรายังไม่เห็นในขั้นของการปฏิบัตินะเห็นแต่สังขารธรรมะที่พ้นจากสังขารยังไม่เห็นเรื่วิสังขารอันนั้นจะเห็นตอนที่เกิดอริยมรรยผลอย่างพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยพ่อนาเก่งแค่ไหนนะก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลงันจะไม่ชํานาญในเรื่องมรรคผลอะไร อจจะเก่งเรื่องอื่นสอนคนมารู้มรรคผลได้ด้วยแต่ตัวเองไม่ไปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสอนกน็อาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วก็อมาสอนองนั้นเราภาวนานะรู้สึกรู้สึกตัวไปฟังธรรมะฟังด้วยใจที่สบายนะให้มันรู้ตัวอยู่ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่ได้หลงออกไปลืมเนลืมตัว รู้สึกธรรมดาธรรมดานี่เวลาที่ใจเราเป็นธรรมดานะมันไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ดัดแปลงนั้นเป็นธรรมดาถ้าเราดัดแปลงไปแล้วทําให้ขลุมขลุมอนะไรเราก็ไม่ธรรมดาจะเห็นของเป็นธรรมดาไม่ได้ไม่เห็นธรมมนะธรมะแล้วธรรมะมของธรรมดานี่ไม่ใช่ของลึกลับอะไรหรอกนะลึกซึ้งแต่ไม่ได้ลึกลับบินยูชนก็นเห็นได้ เห็นด้วยตัวเองไม่ได้ก็ฟังคําสอนของพระเจ้าแล้วก็เห็นตามได้เห็นตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกก็เป็นอนุพุท ธ, ธะพวกเราก็มีโอกาสเป็นพุท ธ, ธะทุกคนนะบางคนก็อยากเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะบางคนก็อยากเป็นปัจเจ ก, กพุท ธ, ธะอยากรู้เองได้ความรู้กว้างกวางไม่อยากยุ่งกับคนอื่นขาดไม่อยากการุณาไม่อยากช่วยคนอื่นอะไร ก็บำเป็นบารมีก็เยอะเหมือนกันครึ่งหนึ่งของพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะอย่างพวกเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะไม่ใช่ปัจเจกพุทธะเราเป็นอนุพุทธะพุทธะมีสามแบบเนะงั้นพวกเรามีโอกาสเป็นอนุพุทธะสิ่งที่เรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตดวงนี้แหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แต่จิตตรงนี้ยังมีกิเลสห่อหุ้มอยู่มีกิเลสแทรกอยู่ข้างในด้วยห่อหุ้มไว้ด้วยมอมแมมสกปรกมันเลยเป็นจิตขอมานไปนยังไม่ได้เป็นจิตแห่งพุทธะพุทธเจ้ธธาสัมมาสัมพุทธะท่านก็ถ่ายทอดธรรมะมาศิลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาให้เราฝึกอบรมกายวิจารใจของเราให้พ้นจากการเป็นเหยื่อเป็นทาสของมัน สอนเรื่องศีลเพื่อให้กายวาจาของเราเรียบร้อยศีลจาเป็นยังไงในขั้นที่เดินปัญญานี่ศีลจาเป็นมากเลยในขั้นเจริญปัญญาเนี้เราจะไม่บังคับจิตตัวเองเราปล่อยให้จิตใจมันทำงานตามธรรมชาติธรรมดาและมีสติตามรู้เงั้นบางทีสติมสู้กําลังของกิเลสไม่ไหวกิเลสมันแรงกว่าสติแรงกว่าสมาธิแรงกว่าปัญญาที่เราสะสมมา กิเลสครอบงำจิตได้มันจะทำความชั่วทางกายทางวาจามจะไปรุกรานคนอื่นได้ถ้าเราบอกให้ห้ามใจตัวเองไว้ก่อนตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนแล้วค่อยๆฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้ น, นวันหนึ่งกิเลสมาครอบงำจิตไม่ได้แนละ้วศีลอัตโนมัติมันเกิดมีศีลที่พระอริยะยกย่องชมเชยศีลที่ใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงานั่นเป็นศีลระดับสูง ในเบื้องต้นยังสู้กิเลสไม่ไหวก็ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนใช้เจตนางดเม้นเรีเจตนาวิรัตเนี่ยศีลเบื้องต้นเนี่ยเป็นเจตนางดเม้นอย่างบางคนอายุมากอยู่90าสเห็นสาวๆสวยๆอยากเป็นชั่วเขาเป็นไม่ไหวยังให้นคนหามไปเป็นชั่วเขาหามไม่ไหวอีกนะกระดูกหัก อย่างนี้ไม่ได้เป็นชั่วขเขาเพราะว่าไม่มีปัญญาอย่างนี้ไม่จัดว่าศีล น, นะมีศีลหมายถึงว่ามันทําชั่วได้แต่มีเจตนางวดเวน้นศีลในเบื้องต้นต้องงดเว้นไว้ก่อนเพราะว่าใจเรายังสู้กิเลสไม่ไหวไเวลาเตือนตัวเองทุกวันทุกวันวั น, วนละหลายหลายรอบได้สักห้ารอบอยิงดีตื่นนอนมาก่อนกินข้าวเช้าก่อนกินข้าวกลางวันก่อนกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ เตือนตัวเองเรื่อยๆเวลาจะทำผิดศีมันจะได้นึกได้เตือนบ่อยๆมันจะได้ไม่ไม่ทำผิดมัอาลาอายใจแม้ตั้งใจทุกวันเลยวันละหลายรอบแล้วก็ทำอะไรางี้ละอายใจ ก, ยก็ไปก็ฝึกสติให้เชี่ยวชาญขึ้นนะ ใ, ใจอยู่กับเนื้อกับตัวกิเลสมันอ่อนกําลังลงการสื่อศีลยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆกายเป็นเพื่องปกติไม่ใช่ต้องจงใจที่จะรักษาอะไรแล้วกายเป็นความเป็นปกติเสียนเบื้องสูงนะ กายเป็นความเป็นปกติของจิตที่ไม่ถูกกิเลสลากออกไปทําชั่วทางกายทางวาจาได้จิตของคนที่ทําผิดศีลนี่จิตไม่ปกติถูกกิเลสลากเข้าไปงา้นศีลบางทีก็เป็นเรื่องของความเป็นปกติของจิตแต่ศีลเบื้องต้นเนี่เจตนางดเว้นสิ่งล่านี้เราต้องเรียนเพื่อให้กายวาจาของเรานั้นไม่ไปรัรานชาวบ้านเขาถ้าเรารัร า, านคนอื่นได้เนี่ยเราพอกฟูนกิเลสตัวเองมากขึ้นด้วยกิเลสคนอื่นก็เพิ่ม อย่าเราไปแกล้งคนอื่นไปว่าเขาไปทําร้ายเขานะั่นล่ะเขาก็มีโทสะมีอะไรขึ้นมากิเลสเขาแต่เดิมไม่มีก็เกิดมีขึ้นมาการที่เราทํากิเลสของเราให้เพิ่มขึ้นทํากิเลสคนอื่นให้เพิ่มขึ้นนี่เป็นบาปทั้งสิ้นเลยไม่ดีทั้งสิ้นงั้นเราก็สํารวมระวังกิเลสของเราอย่างมีเราก็ไม่ให้ระบาดไปทําร้ายคนอื่นนี่ก็คือเรื่องของศีล น, นะสิ่งที่พระเจ้าสอนเราต่อไปก็คือการฝึกจิตฝึกใจ ควบคุมกายวาจาด้วยศีลมันก็มาพัฒนาจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาอันนี้เป็นส่วนของจิตศิกขานในเรื่องของสมาธิการพัฒนาจิตให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเรียกว่าส่วนของปัญญาศิกขามีสองส่วนงั้นสิ่งที่พวกเราชาพูดทิ้งไม่ได้เลยคือศีลสิกศิขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาถ้าทิ้งแล้วก็เหลวไหลเลย บางคนไม่สนใจจิตสิกขานะ่อะภัพที่สุดเลยหมดเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยคนไม่เรียนเรื่องจิตโดยคิดว่าต้องเรียนเรื่องกายก่อนไม่อยากว่านะแต่มันโง่ไม่ได้ว่านะรู้สึกมันสะลดใจโ่มันโง่หลายเยแล้วมันเที่ยวหลอกสอนคนอื่นบอกไม่เอาจิตไม่ได้จิตไม่ได้ทำไม่ถึงจิตไม่ถึงธรรมทิ้งจิตคือทิ้งธรรมเลย ในเรื่องจิตเพื่ออะไรเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาจิต ท, ที่เจริญปัญญาได้นะต้องมีกําลังมีกําลังนะข้อแรกมีแรงข้อที่2มีความตั้งมั่นตรงที่จิตจะมีแรงเนี่ยจิตต้องสงบเพราะงั้นการจะฝึกจิตสิกขาเนี่ ย, ยแยกออกเป็นสองแบบฝึกให้มีแรงกับฝึกให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อเอาไปเดินปัญญานะต้องเรียนทั้งสองอย่าง ถ้าทําไม่เป็นนะไม่เรียนให้ดีนะีส่วนใหญ่ไปทําจิตให้เป็นโมหะมีโ ม, มหะสมาธินั่งสมาธิแล้วก็เคลอบเคลิ้มลืมเนือ้อลืมตัวไม่ใช่สมาธิที่ดีทั้งสองชนิดนั้นนะเป็นอิชามาทีิชนิดหนึ่งเลยสมาธิที่เลวสมาธิที่ไม่มีสติเกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิคือทํามิจฉาสมาธิอย่างนี้แหละสมาธิไม่มีสตินั่งแล้วก็เคลอบเคลิ้มลืมเนือ้อลืมตัวไปบ้างเห็นโน้นเห็นนี่จิตหลอนขึ้นมา หรือนั่งเราก็เครียดใครนั่สมาธิแล้เครียดบ้างยกมือซิต้องนะรู้นะไปยังทําผิดอยู่ยังทําผิดอยู่ถ้าเครียดเนี่ยจิตมีโทสะนะถ้าเมื่อไร่เกิดความถูกทางใจมีวิธีวัดง่ายๆนะว่าจิตเรามีโทสะหรือเปล่าถ้าเมื่อไร่มีความไม่แช่มชื่นทางใจเกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตมีโทสะนะมีโทสะันซ่อนอยู่อย่างนี้ ดูง่ายๆเลยมันไม่สบายใจมันมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นจิตดวงนั้นต้องมีโทสะแต่ถ้ามีความทุกข์ทางกายเนียจิตจะเป็นกุศลก็ได้นะไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าใจมันมีความทุกข์ขึ้นมานี่โทสะแน่นอนงนถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจมันเครียดต้องรู้นะว่าทําผิดแล้วละห้ามขยันเลิกสะเถอะ อีกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็เคลิมเคลิมต้องมีหมูหะกฟุ้งซ่านไหลๆๆๆไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกจะพาไปบางคนก็เคลิ้มเต็มที่ก็ลุกขึ้นเต้นไปนึกถึงลิงเข้าวิญญาณของลิงความรู้สึกของลิงก็เข้ามาเนี่ยก็ไปนึกถึงควายความรู้สึกของควายก็เข้ามานะเข้ามาได้สติไม่พอก่อนที่สุรินก็มีเนนองหนึ่งเรางปู่ดวงยังอยู่เลยนะตอนนั้นในนี่ชอบดูจิตคนอื่นไม่ดูจิตตัวเอง ตื่นเช้ามาก็มาวิจารณ์พระทั้งวัดเลยพระทั้งสี่สบ้าสิบองค์พระสมัยนั้นเยอะต่ท่านเดี๋ยวนี้พระไม่ค่อยมีแล้วพระเหลือน้อยเต็มทีแล้วเน้นรู้หมดเลยว่าพระองค์ไหนนะไปทําอะไรเมื่อคืนนี้จิตเป็นย PTSD, งังไงไงรู้หมดเลยเน้นไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือจิตนเน้นเป็นยังไงะเนนนี้มีฉายาเลยว่าเน้นสังฆราชโอ้แตกฉานมากนะวันหนึ่งไปนั่งอยู่วัดสาขาหลวงปู่เห็นลิงลิงมาหลุดมา เห็นลิงลไปดูจิตลิงความรู้สึกของลิงก็เข้ามาแกกระโดดขึ้นต้นไม้นะแล้วแผลวขึ้นเหมือนลิงเลยก็ขึ้นถึงยอดไม้มองลงมาที่ท้องนาเห็นไกวจิตของไกวเ ข, เขาเข้ามาเราเนี้ยเกิดปัญหาละวกวยอยู่บนต้นไม้ mm. สุดท้ายบ้าสุดท้ายบ้าเนี้ยรู้จิตคนอื่นไม่ดีนะแล้วสติไม่ทันสมาธิไม่ดีอันเนี้ยเป็นเรื่องของมิจฉาสมาธิทั้ทงนั้นเลยมีฤทธิ์มีเดชนะ แต่มันเป็นมิชาสมาธิไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานพอบ้านะเขากพาศึกไปรักษารักษาหายกลับมานั่งสมาธิเป็นอีกบ้าเราหายหายแล้วบ้าหลายรอบสุดท้ายผูกคอตายนะเลยตายจริงๆเลยอนนัเนี้นี่เสียเพราะว่าครูบาอาจารย์ห้ามไม่ฟังหลวงปู่ดูลห้ามนักหนาเลยไม่ให้ไปดูจิตคนอื่นนะเพราะว่าออกข้างนอกเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านกิเลสมันเข้า แล้วไปรู้ของคนอื่นแล้วมันกลางน้ํากูเก่งกูเก่งนอันตรายมากเลยครูบาอาจารย์ท่านให้ดูจิตตัวเองไม่ดูจิตคนอื่นไม่ต้องรู้อดีตไม่ต้องรู้อนาคตรูร้ปัจจุบันพระุทธเจ้าสอนให้รู้ปัจจุบันว่ารู้ไปสนใจอยากรู้เมื่อไหร่จะมีอะไรอะไรย่างเงี้ยนะ่ะอะไรจะเกิดโดยเฉพาะหวยจะออกเมื่อไร <laughs> บางทีก็รู้นะแต่ไม่ใช่หลวงพ่อนะบอกตะกอน <laughs> เดียวจมาเงี้ยวๆขอให้บอกหนูพ่อไม่รู้หรอกหลูพ่อไม่ได้สนใจตั้งแต่เป็นฆราวาสเนี่ยไม่เคยซื้อหัวยอะไรเลยไม่รู้จะเล่นทำไมเพราะมันหลักคณิตศาสตร์ชัดๆเลยยังไงก็แพ้เรื่องของป๊อปง <c oughs> ั้นมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องคือไม่ขาดสติสงบก็สงบแบบไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็จะตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแบบรู้เนื้อรู้ตัว ถ้าสงบไม่ลืมเนื้อลืมตัวงั้นจะอยากขาดสติเช่นเราจะฝึกให้จิตสงบเนี่ยเรารู้ว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรไปสังเกตตัวเองเอาบางคนต้องใช้พุโทโธบางคนก็หายใจบางคนก็เดินจงกรมบางคนแผ่เมตตาอะไรก็ได้ถ้าทำแล้วจิตใจมีความสุขพอจิตใจมีความสุขแล้วจิตใจก็สงบเรารู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติ อย่างแผ่เมตตานะบริกรรมของเราไปสบายๆเฉริมเมตตานะใจมันมีพลังกระแสของเมตตาจะแผ่ออกไปจะใหญ่กว้างกวางอย่างนี้เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาแต่ถ้าเมตตาเป็นคนๆนี่อันตรายมากเลยเรียกว่าเมตตาปลมวิหารเมตตาเป็นพิเศษเมตตาไปเมตตามังกลายเป็นราคะนะมันอันตรายงั้นอย่างหลวงพ่อแผ่เมตตาวันหนึ่งกี่ครั้งนับไม่ถูกแผ่อยู่เรื่อยๆ นะหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าวัละกี่ครั้งนับไม่ถูกนะี่คิดถึงอยู่ด้วยด้วย ใ, ใจออกก็รู้สึกไอ้แก่เข้าก็รู้สึกอยู่นะแล้วใจกระแสของเมตตากระแสอะ้รมันเป็นเองใครนึกถึงก็รู้สึกเอาเองนะไม่ใช่หลวงพ่อส่งไปนะเอาละเมตตาหน่อยอันนั้นสะกดจิตนะมันคือสะกดจิตแล้วครอบเลยครอบเลยคนถูกสะกดก็เลิศเล มีเงินมีทองนะปูนหัวให้หมดเลยมาที่นี่ห้ามเคลิ้มตัณเห็นไหมบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วมีปิติเคลิ้มตาเยิม้มใส่หลวงพ่อถูกดา่าทุกไลนเลยนะบอกสอนให้รู้สึกตัวสอนให้เป็นผู้เป็นคนสอนให้พ้นทุ๊กไม่สอนให้มาเป็นทาตุนะแต่ตั้งมาเป็นทาตุหลวงพ่อก็ไม่เอานะถือว่าใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวงั้นขาดสติไม่ได้ต้องฝึกสติให้หนักหนักหน่อยวิธีฝึกสติคือเจริญสติปัฏฐาน ไปดูอารมณ์ในสติปัฏฐานเลาไปเลือกเอาสักอย่างหนึ่งที่ว่าเราทําได้เราสบายใจนะแล้วก็ะระลึกอยู่ในอารมณ์นั้นบ่อยๆถ้าจิตลืมอารมณ์ันนั้นก็รู้ทันว่าลืมไปแล้วก็กลับมารู้ใหม่ไม่ว่ามันไม่บังคับว่าห้ามลืมเช่นรู้ลมหายใจใหเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสงบเพืช่างไม่สงบเพืช่างเอาที่ความรู้สึกตัวเป็นหลักหายใจไปรู้สึกตัวไปต่อไปเวลามันเผลอนะ จังหวะลมหายใจเปลี่ยนนิดเดียวมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้เองนี่นสติเกิดละเนี่ยฝึกสติให้เข้มแข็งแล้วเวลามาฝึกสมาธิมันจะง่ายมันจะไม่เคลิม้มนะหลวงพ่อตอนเด็กๆ เ, เนี่ยจากท่านพรอรีนะท่านสอนท่านคงสอนเก่งนะเพราะท่านเป็นพระดีแต่หลวงพ่อเด็กมากเรียนกับท่านได้น้อยเยันท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพูดโตนับสองไปด้วยมาทําเองอะทาเองแล้วใจมันเคลื่อนออกไป เอนออกไปทีแรกไม่รู้นะว่านั่นเป็นมิจฉาสมาธิแล้วออกไปเที่ยวสวรรค์ไปน่นไปนี่ไปรู้ไปเห็นอะไรต่อไดนะ้แต่มากกลัวผีว่าออกไปแล้ถ้าไปเจอผีเข้าจะสู้มันไม่ไหวเป็นคนกลัวผีนะกระทั่งลูกแมวที่บ้านตายนะกลางคืนจะไม่กล้า น, นอนพยายามตื่นกลัวแมวมาเข้าฝันดูสิกลัวผีละเอียดแล้วอโกขนาด น, นั้นนะงั้นพอนึกได้ว่าออกไปแล้อาจจะเจอผีนะคราวนี้หายใจไปพอใจมันจะเริ่มเคลิมนะหลวงพ่อจะเปลี่ยนจากว่าหายใจ หาใจแรงขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัวมันกลายเป็นฝึกที่จะรู้สึกตัวไปโดยอัตโนมัตินะงั้นตัวรู้ของหลวงพ่อมันจะเด่นดวงมาตั้งแต่เป็นโยมแนละ้วะเด่นดวงอยู่ได้เป็นวันวันอย่างนั้นนะไอ้ที่จะไหลยาวๆหลงๆนะไรอย่างพวกเราไม่เป็นหรอกเพราะเล่นแต่สมาธิมาตั้งแต่เล็กๆเพราะนั้นจุดสําคัญคือเรื่องมีสติให้ใจออกรู้สึกให้ใจเข้ารู้สึกไม่ให้ขาดสติและเวลาสงบเนี่ย บางคนเข้าใจผิดนะว่าจะเข้าฌานเนี่ยจิตต้องเคลิ้มเคลิ้มขาดสติไม่ใช่ถ้าขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเราหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวแล้วจิตไม่แส่ใสไปด้วยอํานาจของนิวนณะ์ขมนิวรณ์ลงไปแล้วด้วยสมาธินะจิตจะรวมลงไปเองแล้วมันรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวนะกระทั่งร่างกายนี้หายไปโลกนี่หายไปผ้าทิศพระจันทร์ไม่มีแล้วยังเหลือแต่ดวงรู้อยู่เหลือแต่ตัวรู้อยู่รู้ตัวอยู่ไม่ขาดสายเลย จะต้องฝึกอย่างนี้แล้วสมาธิเราดีฝึกจน ก, กระทั่งโลกธาตุดับไปนะั้นเหลือแต่ตัวรู้เด่นดวงอยู่ดวงเดียวตรงนี้เราดียังไงตอนที่ถอยออกมาจากสมาธิอันนี้นะมีร่างกายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่ากายกัจิตนี่คนละอันกันแลตั้งแต่นั้นกายกับจิตจะแยกกันเลยไม่รวมกันอีกแล้วละ่นะถ้ามันเข้าไปถึงตรงจุดนั้นนะมันแยกกันถาวรเลยชาติหน้าเริ่มต้นใหม่มันลืมนะแต่ว่ามันจะกลับมาฝึกง่า งั้นพยายามฝึกให้มันผ่านในชาติเดียวนะไม่งั้นชาติหน้าต้องเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ใช่เป็นพระโสดาบันเราชาติหน้าเป็นปุถุชนนะขาดแล้วขาดเลยแต่ว่ามันลืมมันลืมแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังธรรมะนิดหนึ่งก็กลับมาแล้วงั้นต้องฝึกสติหายใจออกรู้สึกตัวให้ยใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวฝึกไปเรื่อยไม่ให้ขาดสติรู้สึกไปเรื่อยเรื่อยื่อ ไ, ไ, ไปพอสติเราเข้มแข็งนะเราก็มาฝึก ศีลมันก็ดีขึ้นเองแหละสมาธิปัญญาอะไเนี่ยถ้าขาดสติตัวเดียวน่ะก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถ้ามีสติเนี้ยก็มีโอกาสพัฒนามีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาก็มีสติเนี้ยจิตใจจะไปด่าเขาละอยากด่าละปากเริ่มขยับนะสติรู้ทันเอย่างเราเคยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพะโกรดมาอ้าปากจะด่าเขาไม่เคยฝึกอ้าปากซะหน่อยเราฝึกแค่หายใจนี่แหละแต่พออาปากจะด่าเนี่ย กำลังจะดาว่าไอ้ชั่วอ้าวาเออขอโทษว่ะ <laughs> มันเปลี่ยนทันนะ <laughs> สติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแศีลมันก็่ะดีขึ้นแล้วถ้าเรามีสตินะแล้วทำกรรมฐานทำสมาธิ ถ้าทำให้ใจสงบนะเราก็อย right. ู <S <S yeah. s <S ่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขมีสติอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆไม่บังคับจิตต้องอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นจิตจะเครียดจิตเครียดเป็นอกุศลจิตอกุศลไม่มีสตินะเห็นไหมธรรมะมันเรียงร้อยเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะถ้าเราหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปสมมติถ้าใช้อรมหายใจนะอย่าดูท้องพองยุบ่อเห็นท้องพองรู้สึกตัวเห็นท้องยุบรู้สึกตัวที่ถูกต้องใช้คํำว่า เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบไม่ใช่เห็นท้องถ้าเห็นท้องเนี <con cent rate> ่ยคอนเซนเทรตลงไปที่ใดที่หนึ่งนะคือการเพ่งไม่ใช่สมาธิที่ดีสมาธิเพ่งเนี่ยใจจะเครเคลียดขึ้นมาแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจออกแค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกว่าท้องมันพองรู้สึกว่าท้องมันยุบรู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกว่าร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนีแค่รู้สึกถ้าเราแค่รู้สึ ก, แ ค, สกแค่รู้สึกเรื่อๆะไปค่อยรู้สึกไป ต่อมาเวลามันขาดสติมลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยพอร่างกายเราขยับปับ๊บมันจะรู้สึกขึ้นมาเองเลยนะต้องฝึกนะได้สติแล้วเนี่ยศีลก็จะเกิดง่ายฝึกสมาธิทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะให้จิตสบายๆรู้สึกอยู่ในอารมณ์นั้นห้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์นั้นจิตสงบของจิตเอง เราไม่ได้สั่งให้จิตสงบจิตสงบเองเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตมีความสุขของจิตเองจิตมีความสุขของจิตเองจิตก็สงบของจิตเอง <S <S เป็นเรื่อง ง, ง, ง่ายงนะ่ายงั้นง่ายะมีสติแล้วก็แค่ะระลึกรู้สบายๆถึงอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอารมณ์ดีๆนะอารมณ์ที่ยั่วยกิเลสไม่เอาแป๊บเดียวใจก็สงบเองใจก็มีความสุขแล้วใจก็สงบ แล้วถ้าจะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่ น, น, นก็ทํากรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนใหม่ไม่น้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์อันั้นนะถ้าเราต้องการทํากรรมฐานชนิดจิตตั้งมั่นเราก็ใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างเดิมเช่นหายใจไปอย่างเดิมแหละแต่คราวนี้เปลี่ยนมารู้ทันใจไม่ใช่น้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานถ้าน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจะได้สมาธิชนิดแรกเรียกอารามณูปนิชฌานเอาไว้ทําสมาธิชนิดพักผ่อนมีแรง จิตนิ่งแล้วมีแรงร่างกายเคลื่อนไหวแล้วมีแรงกับข้างกันแต่ถ้าจะให้เป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาก็ทํากรรมฐานอันเดิมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถนัดหายใจก็หายใ จ, าายใจถนัดพุทโธก็พุโทพโธไปถ้าพุโทโธเนี่ยใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะพุโทโธเรารู้ทันจิตไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเนี่ยเราพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทัน น, นจิตจะตั้งมั่นหรือรู้ลมหายใจนะจิตนี้ไปคิดรู้ทัน เคล็ดอยู่ที่รู้ทันจิตไม่ใช่รู้ทันอารมณ์มีอารมณ์ไว้อันหนึ่งแล้วถ้าจิตเกิดอะไรขึ้นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดสงบเกิดฟุ้งซ่านรู้ทันจิตถ้าทำสมาธิแล้วรู้ทันจิตจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถ้าทำสมาธิชนิดน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะได้สมาธิชนิดจิตสงบแล้วถ้าชานาญจริงถ้าเป็นพระริยะบุคคล สามารถใช้เชืสมาธิที่จิตตั้งมันเนี่ยเพื่อพักผ่อนได้ด้วยอันนี้เรียกว่าการเข้าพระสมบัตินะพวกเรายัางทําไม่ไหวยังพระสมบัตินี่ยจะใช้ลักขนมปนิชานะพวกเรายัางทําไม่ได้ถ้าเราเข้าพระสมบัติไม่เป็นทําไมเข้าพระสมบัติไม่ได้ไม่เป็นไม่เคยเกิดอริยผลนะบุตรชนทําไม่ได้ดงนั้นบุตรชนเนี่ยอยากพักผ่อนก็อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขไปนะ ถ้าจะฝึกเจริญปัญญานะฝึกสมาธิใช้เดินตัญญาก็ทํากรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่เปลี่ยนแทนที่จะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขก็ใช้อารมณ์นั้นแหละเป็นเดือดรอแล้วค่อยรู้ทันจิตเม่อจิตมีความสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตหนีไปก็รู้ตรงที่จิตหนีไปเรารู้นี่แหละจิตรู้จะเกิดตรงที่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทานว่าจิตไหลสติระลึกได้ว่าจิตไหลไปจิตรู้จะเกิดเพราะอะไรจิตรู้ตรงข้ามกับจิตไหล จิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ตั้งมั่นตรงข้ามกันเมื่อไหรรู้ว่าฟุ้งซ่านเมื่อ น, นั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แค่นั้นเองง่ายๆง่ายไหม <c oughs> ถ้าฝึกเราก็ง่ายไม่ฝึกก็ทำไม่ได้หรอกหลวงปูด่ดูนบอกการปฏิบัติไม่ยากยากแค่เพราะว่ามัปฏิบัติเนี่ยท่านว่ า, างงี้นะไม่ยากมันยากสําหรับคนที่ไม่ยอมทําเอาแต่คิดเอาอย่างเดียวหรือเอาแต่เพ่งเอาอย่างเดียวไม่ได้เรื่องอะไรนี่คือเรื่องของจิตสิกขาณ์นะ <c oughs> เราถึงขั้นเดินปัญญาก็แค่รู้สึกเอารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเออมันเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนของมันเองอย่างร่างกายก็มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่หายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งเรามีแต่ทุกข์บีบคั้นอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่เป็นเรารู้สึกเราเข้าไปรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ไปจ้องเอา ไม่ใช่ไปจ้องแค่รู้สึกรู้สึกเอาง่ายง่ายไม่ยากไปกินข้าวไป